คว่ามั่นใจเนี่ยนะคิดว่ามั่นใจกับมั่นใจจริงๆไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเกลี้ยกล่ อ, ลอมมาฉันมั่นใจนะฉันมั่นใจนะมั่นใจทั้งๆที่ไม่มีความมั่นใจแต่ว่าอะไรนะใส่กรอบให้ตัวเองบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมากมั่นใจสูงมากเพราะว่าข้างนอกเนี่มันแข็งมากนะแต่ข้างในมันยุ บ, บยาบยุบยับเรียกว่าถ้ากลมก็ต้นไม้กับต้นย่ามต่างกันตรงไหนเขาเขาแยกนะต้นไม้กับต้นญ้านี่ต่างกันตรงไหนบางคนเนี่ยถามว่า ต้นตาเนี่ยเป็นหญ้าหรือเป็นไม้เขามีหลักการโบราณก็แยกอย่างไ้ว่าถ้าญ้าข้างในเนี่ยอ่อนข้างนอกแข็งถ้าสายหญ้านะเช่นต้นมะพร้าวเนี่ยนะมะพร้าวหรือพวกต้นตานเนี่ยเป็นตระกูลญ้าไม่ใช่ต้นไม้เขาเรียกหญ่าเป็นสายตินชาติเพราะข้างในมันอ่อนข้างนอกมันแข็งแต่ถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าติ น, นชาติกับไอ้พวกพวกเนี้ยนะ แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มต้นไม้คือข้างในมันแข็งข้างนอกมัน อ, อ่อนน่ะนะก็เนระียกว่ามีแก่นแล้วก็มีกระพรีนะ้แต่ถ้าหากว่าแก่นอยู่ข้างนอกข้างในเนี่ยเขาเรียกว่ากล่มสายญ้าชั้นใดนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าเราเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันมีความมั่นใจในพระรัตนตรัยขึ้นไอความมั่นใจที่มีต่อพระรตนตรัยโดยมั่นคงลําพังอ่าโดยที่ไม่ต้องเปลี้ยกล่อมตัวเองอย่างนี้แหละที่จะเจริญเทวตานุสติได้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 เ่นะไม่ใช่นางวิสาขาเท่านั้นที่มีศรัท ธ, ธาเราก็มีไม่ใช่นางวิสาขาที่อยู่ในสวรรค์ชั้น น, นิมมานารดีเท่านั้นที่มีมีศีลแเราก็มีไม่ใช่แต่นางเท่านั้นที่มีหิริโอต ป, ปะสุตจาระปัญญาแม้เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกโอ้ไม่ใช่อนาถะบินติกาที่อยู่ดุสิตเท่านั้นนะที่มีศรัท ธ, ธา เราก็มีศรัทธาไม่ใช่อนาถะเท่า น, นั้นนะที่มีศีลเป็นต้นเนี่ยเราก็มีเราก็มีในกุศลธรรมเหล่านั้นมีความมั่นใจตัวเองไม่ใช่วันนึกไปนึกมาโอ้ยขอให้อนาถะช่วยสงเคราะห์ลูกหลานหน่อยเถื่อนไงนะถ้าอย่างนี้ก็โอ้ยอีกนานนะก็กลายเป็นผู้ขอนะก็กลายเป็นผู้ขอไม่ใช่ผู้มั่นใจนะกลายเป็น ผู้ขอกลายเป็นเกลืองอดอยากนะเนะ่เกลืองอดอยากแล้วโอ้ยเขาจะช่วยเราได้ยังไงเนาะเนี no, ่ยนะนะก็กลายเป็นคนที่มีแต่ความคิดว่าจะขอแต่ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ขอเนะี่ยแปลว่าพร่องเนี่ยนะทําไมมันจึงพร่องอย่างนั้นแล้วทํายังไงมันจะเต็มเปี่ยมขึ้นมาได้ชีวิตของเราควรอยู่ด้วยความพร่องก็เรียกเกลือหอยหิวทางความคิดหรือเนี่ยนะมันจะต้องเจริญจนมีความนะี่แหละภา ษ, าษาธรรมะใช้คำว่ามีภาละเนี่ยนะนะ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 ความพยาบาทเจริญอโลกสัญญาเพื่อละถีณมิทะเจริญความไม่ฟุง้งซ่านเพื่อละอุทะจักุกุจะเจริญการกําหนดธรรมเพื่อละวิจิกิจชาเจริญญาณเพื่อละอวิชชาเจริญปราโมทเพื่อละอารติแล้วถามว่าเจริญวิปัสสนาทั้งหลายเจริญวิปัสนาเนี่ยเพื่ออะไรนะถ้าวิปัสนาเนี่ยนะอวินี่มันก็เป็นอุปสรรคถ้าอีกเปลี่ยนหนึ่งก็เปลี่ยนว่าเป็นอนุอนุก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน นะวิปัสนากับอนุปัสนามันอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันอะไรโดยอัถะต่างกันแค่พยัญชนะคาพูดที่เรียกขานเท่านั้นเองทีนี้ถ้าถามว่าไอเจริญวิปัสนาหรือเจริญอนุปัสนาแท้จริงอ่ะเพื่อละอะไร เ, เพื่อละนิจจสัญญาเนี่ยนะเพื่อละนิจจสัญญาเพื่อละความสำคัญว่ายั่งยืนนะนะความคิดว่ายั่งยืน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 ธรรมะด้วนั้นแต่ว่าปกติชาติธรรมโตชาราติธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณติธรรมโตแก่เอเกิดก็ปกติป่วยก็เขาปกติตายปกติเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหมดนะเพคือไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยว่ามันจะมันจะมันจะไม่ตายได้ยังไงเพราะสาตร์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีนั้นจนฟังคําว่าตายนี่ปกติฟังเรื่องอะไรเสียหายว่าโอ้มันเพิ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะ สังขารทั้งหลายวิปริณามะนีนะวิปริณามะมีความสลายเป็นที่สุดสิ่งใดที่รวมตัวกันสมบูรณ์สิ่งนั้นมีความเสียหายเป็นที่สุดเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งตึกรามบ้านช่องเนี่ยนะมันก็มีการแตกทาลายเสียหายเป็นที่สุดบ้านก็มีการแตกทาลายเสียหายเป็นที่สุดแม้กระทั่งตึกอะไรนะตึกสูงเฉียดโลกก็ยังแตกทำลายเป็นที่สุดได้ขยะเป็นล้านตันในขยะเป็นล้านตันเน่นะโอ้โห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 เพี่ยงก็คือคาดหวังความจีรังของฟองน้ำํำเห็นไหมคาดความมั่นอาเขวะเชื่อว่าตอมน้ําเนี่ยมันมั่นคงเชื่อได้ไหมตอมนะฟองน้ํามั่นคงตอมน้ำเนี่มันมั่นคงถ้าใครคิดว่ารูปเพี้ยงก็เหมือนก็ไปเชื่อว่าฟองน้ํามันแน่นอนเห็นไหมแล้วบอกโอ้ยคนเรามันแน่นอนว่าเออสมองแน่มันแน่อะไรมันเท่าเท่ากับเต่าหูเท่านั้นเอ ง, องนะ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 ะถ้ากุฏิเนี่ยมันอยู่แล้วมันทรุดโทมเสียหายแตกทําลายโดยธรรมชาติของมันเองถ้าอย่างงี้เดี๋ยวสงรับผิดชอบวัดรับผิดชอบเองแต่ถ้าหมาเขามันไม่เที่ยงแต่ว่าแหมจุดไฟเล่นอย่างไงนะวอดหมดเลยอย่างงี้ก็เออไม่เที่ยงแต่ใช้ใช้สงหน่อยกันแล้วการสร้างให้มันเหมือนเดิมกันแล้วกันอย่างไงเพราะั้นบางอย่างมันต้องรับผิดชอบเพราั้นคำว่าไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าพูดไว้เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อตัดประเด็นว่าเออเนี่ยตายแล้วเออเขามันไม่เที่ยงอ่ะ มันไม่ใช่ลักษณะทะเลนแบบนั้นนะะเป็นคนทะเลนกึ่งกึ่งทะลึ่งไปเลยไปไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายคือว่ารอบรู้เข้าใจด้วยด้วยวิจารณญาณวิจารณะก็คือวิจารณะหรือตรีณะก็อันเดียวกันคือไขครัวอย่างละเอียดทีทัวนนะ่วเรบอกออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและหลายหลายอย่างเนี่ยนะไขครคัวรเลยว่าอย่างทางธรรมะท่านบอกว่าพบที่เที่ยงไม่มีเนี่ยนะสังขารที่เที่ยงไม่มีแม้กระทั่งคิดถึง ที่ใดก็าตามที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่จะสําคัญหมายที่นั้นว่าเที่ยงไม่มีอันนี้หมายคว่าถ้าเจริญอ น, นิจจานุปัสนาโตเต็มที่มันจะเป็นอย่างนั้นมั้นเมื่อคิดถึงอะไรที่จะแนวโน้มที่จะไปเข้าใจว่าเที่ยงอ่ะไม่มีเลยเรียกว่าตัดตัดวิปราสตัดความสําคัญหมายตัดความเข้าใจแม้กระทั่งลึกๆคาดว่าคาดหวังว่าเที่ยงก็ไม่มี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 มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็ของของชั้นอยู่ที่ไหนยังไงนะเออวยวายนั้นก็เกินไปอีปกก็กลายเป็นว่าเอ่อบางคนเนี่ยนัศึกษาธรรมะไม่ดีเนี่ยแทนที่จะใช้คําดีกลายเป็นว่ากลายเป็นคําที่เป็นโจกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ <S <S ธรรมะที่สวากขาโตพระควาตาธ ร, รมโมธรรมังนามาสามิะนะครับถ้าทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วครัพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นกลายเป็นว่าเป็นคําที่ล้อเลียนเป็นคําที่พูดเล่นกลายเป็นว่า